มีคนไหนยังไม่ได้ส่งกันบ้านนะ่ะทีมบางประกงเนี่ยวันแรกบอกให้รีบส่งไม่ยอมส่งจับหลักให้แม่นๆนะแล้วง่ายง่ายมากๆเลยถ้าจับหลักผิดเราก็พลาดไปพอาวนาผิดแล้วเวลาไปบอกคนอื่นก็บอกผิดอีกลำบากหลักต้องแม่นนะ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 ดีได้ช่วงหนึ่งก็ชั่วอีกก็ต้องฝึกเอาใหม่นะจเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมอยู่อย่างนั้นเองเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงแต่สมถะก็มีประโยชน์คือทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานมีแรงที่จ ะ, จะเจริญปัญญาต่อไปได้ในหลายคนทำสึกใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันก็ไม่ทุกขนะ์ละเพราะตัวที่ทุกข์มันคือตัวกายแั่ใจ พอปัญญามันแจ้งแล้วมันไม่ต้องกลับมาคอยระวังรักษาจิตอีกจิตาแล้วไม่ยอมเจริญปัญญาต่อไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะพวกพระพระติดสมถะเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้โยมก็ชอบปฏิบัตินะโยมก็ติดสมถะเยอะเยอะกว่าพระอีกเพราะโยมมีเยอะกว่าพระวัตถุประสงค์มันต่างกันสมถะกับวิปัสนาวิธีการก็ต่างกันสมถะทําไปให้จิตสงบนจิตสบายจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียว โดยปกติจิตของเรานะ่ยร่อนเร่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวปิ้งไปทางตาหูจมูกเลนกายใจนะเดี๋ยวจับมันน้อนจับมันนี้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาวิธีทําสมถาก็คือน้อมจิตเนี่ยให้มันไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวแทนที่จะให้มันร่อนเร่วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งไปน้นวิ่งไปนี่ตลอดเวลาก็พาให้มันมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับท้องพองยุบ มาอยู่กับยกเท้าย่างเท้ามาอยู่กับอิริยาบถสีมาอยู่กับการเพ่งใส่มือขยับมือแล้วก็เพ่ ง, งนี่รมความรอบเพ่งอะไรก็คือเป็นสมถะทั้งนั้นนะให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วก็เป็นสมถนะวิปัสสนาไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ว่าจิตจะล่อนเร่ไปสู่อารมณ์ใดๆแลก็จะมีสติมีปัญญารู้ทันสองอย่าง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 การวิปัสสนานี่ยมันไม่ได้ฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ไม่ว่าจิตจะไปทํางานอะไรเนี่ยก็จะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งจิตทั้งอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยม่วิธีการก็ไม่เหมือนกั น, นการวิปัสสนาไม่เลือกอารมณ์นะต้องเป็นอารมณ์เกี่ยวกับกายกับใจแล้วก็ ใ, ใช้ได้ท่านั้นไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่อง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 นั่งเรารู้อดีตรู้อนาคตอเนี่ยกูดูโลกแล้วโลกแตกเครี้ยงเลยถามว่ามันแตกจริงสักที่ไหนมันก็ยังอยู่นี่แหละหลวงพ่อเคยเจอน้ําฟ้าองค์หนึ่งบอกผมภาวนาเก่งผมดับดวงอาทิตย์ได้แล้ว <c oughs> ไปดับดวงอาทิตย์นี่เท่ากับฆ่าคนทั้งโลกเลยะ <c oughs> บาปหนักหนาสาหัสเลยมันดับที่ไหนตาจะบอดเอาท่างหากไปนั่งเพ่งดวงอาทิตย์นะเพ่งเพ่ ง, เ, พงเจอทั้งมองไม่เห็นอะไรเลย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 จะต้องแยกให้ออกนะว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสนาถ้าเมื่อไหร่น้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะถ้าเมื่อไหร่ปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วมีสติตามรู้ความจริงของเข้าไปอันนั้นเป็นวิปนะัสนาให้คอยรู้สึกเคยรู้ทันเวลาเราภาวนาเนี่ยจิตมันชอบพลิกกระทั่งคนที่ทําวิปัสนานะจิตจะพลิกไปเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงช่วงเป็นทุกคนแหลนะเมื่อวานอาจารย์กริดอาจารย์กริดมาอาจารย์กริด เชียกรดเดี๋ยวนี้พาวนาเก่งมากนะเก่งกีเดียวล่ะเัียกรีพบว่าวิธีปฏิบัติทำเนี่ยมันง่ายจริงๆนี่มาบอกหลวงพ่อมันง่ายจริงๆนะไม่ได้ทําอะไรนะรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเห็นขันมันทํางานไปเราไม่ได้ทําอะไรนะแต่ท่านก็บอกอีกไม่ผมสังเกตนะบางทีจิตมันก็พลิกตัวนิดนึงนะแล้วก็ไปนิ่งๆว่างๆอยู่งั้นนั้นมันน่าจะสมถะนะท่านว่าอย่างนี้นี่ช่างสังเกตบอกใช่เป็นสมถะ กระทั่งเราทําวิปัสนาอยู่เนี่ยจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงช่วงไม่มีหรอกวิปัสนารวดไม่มีสมถารวดเดี๋ยพลิกไปพลิกมาอย่างาบางคนนะดูท้องผ่องยุบเนี่ยถ้าจิตไหลไปเพ่งท้องแนละ้วก็ทําสมถะอยู่จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายมันก็เพื่อมไหวอยู่ร่างกายที่กระเพื่อมไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมีนะแต่วิปัสนารวดเดียวไม่มีครับไม่ได้เลยเนี่ยแล้ว น, น, นี้ก็เดินปัญญาเป็นวิปัสนาพลิกไปพลิกมาได้ พุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตเคลื่อนไหวแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไหวแล้วรู้ทันนะนี่ก็ทํำวิปัสนาได้พุทโธแล้วจิตสงบอยู่กับพุทโธก็เป็นสมถะขยับมืออย่างสายลวงพ่อเทียนขยับไปนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่เดินปัญญาอยู่เห็นตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่ทํำวิปัสนาอยู่อีกพวกหนึ่งนะบา ง, บางเวลาจิตเพ่งเข้าไปในมือจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ในมือ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 บางคนก็ดูจิตแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวลงไปฉะ น, นั้นเป็นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยนะเพ่งความว่างชื่ออากาสานัญจายตนะเพ่งจิตชื่อวิญญาณัญจายตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญาญตนะแล้วก็เคลิ้มลงไปนะแทบจะหมดความรู้สึกเลยนะชื่อเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเรื่องของสมถนะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะเวลาเราภาวนาเนี่ยจิตจะพลิกไปพลิกมา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 เกิดราคะขึ้นมานี่เกิดทางใจแล้วดวงที่สามมีสติรู้ทันว่าดวงที่สองมีราคานะเจ็ดหมุนไปอย่างนี้จิตมกเกิดทีละดวงทีละดวงเห็นอย่างนี้นะเห็นเกิดดับอยู่ก็นะเด้นวิปัสสนาอยู่ก็เพ่งจิตลงไปเฉยๆเป็นสมถะนะต้องระวังมากเลยทุกวันนี้คำสอนเกี่ยวกับการเพ่งจิตนีเกิดขึ้นมากมายเราคิดว่าเป็นวิปัสสนาะอันตรายที่สุด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 ท่านเมตตาหลวงพ่อเยอะองนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังไม่พ้นทุกข์ท่านภาวนาท่านทุดงไปเข้าไปหลงไปถึงพมา่านะกลับเมืองไทยไม่ถูกเดินเดินเดินไปต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะเลยรู้ว่ามันต้องไม่ใช่ประเทศไทยอะ่ะประเทศไทยต้นไม้ต้องเล็กๆๆๆลงเรื่อยๆนะจนกระทั่งไม่มีเลยเออเนี่ยเมืองไทยแท้ๆนีๆ่ป่าอะไรวะยิ่งทึบขึ้นเรื่อยๆนะฝนก็ตกอดอาหารตั้งหลายวันนะ งนั้นท่านปลอดชื้นท่านหลบพ่อไปอยู่ในถ้ำคิดว่าต้องตายแน่แล้วรอบนี้อยู่ในถ้ำแล้วก็ท่านก็เตรียมตัวตายเอาผ้าน้ำฝนนะเอาสังคติพาดไหลครับจะตายแล้วต้องตายในยูนิฟอร์มให้สมเป็นนักรบใส่ยูนิฟอร์มเอาสังคติพาดก็แล้วตอนตายนะากลัวศพขึ้นอืดจะโป๊ะ น, ะนี่ยังอุตส่าห์่วงอีกนะ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 นี่มันมีความไม่มีอะไรเหมือนนะเพราะท่านเห็นตรงนี้นะใจท่านมันดีดออกเลยนะดีดปิ้งขึ้นมาเลยตอนนั้นกลางดึกแล้วอยู่ในถ้ำมืดเต๋อเตรียมตายท่านบอกว่าถ้านั้นสว่างขึ้นทั้งถ้าเลยท่านนึกว่าสว่างแล้วหายไข้เลยนะหายไข้เลยนี่ท่านเลยยํานักน้ําหน้านะอย่าไปเอากว้างๆนะท่านสอนถึงขนาดบอกว่าอย่าไปทำนะอ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 ตอนท่านตายเราไม่รู้จักวะหลวงพ่อวันวชัยนะหลวงพ่อกะว่าเดี๋ยวพรุนี้ท่านจะตายและ ว, วันนี้เรารีบไปเยี่ยมสึกก่อนไปถึงไปเยี่ยมที่บ้านกุง้งใช่ไหมไม่ใช่บ้านประสานบ้านกุง้งท่านก็นอนอยู่นะตัวบวมไปหมดแล้วไตวาย ไ, วไปถึงเราก็ปรับใจท่านาอาจารย์คราวนี้อาจารย์ตายแน่ยังไงก็ไม่รอดหรอกนะ ไหนจะตายแล้วนะตายอย่างการดูกายมันตายไปนะนอนดูกายมันตายไปใจเราเป็นยังไงหวันไหววิตกอะไรขึ้นมาให้รู้ทันไปมใจเป็นกลางแล้วดูกายมันตายไปดูอย่างนี้นะเนี่ยคือวิธีตกกระไดพอ่อยโจรจำไว้นะปฏิบัติตาอย่างนักรบของพระพุทธเจ้าพอ่อยจนไม่ใช่น้อมใจให้ว่างไม่มีอะไรเลยอันนั้นน่ะจะไปเกิดใหม่ในพรหมโลก แ้นมีสติรู้ลงไปเห็นร่างกายมันตายจิตเป็นคนดูเท่านั้นเองถ้าจิตมันไหวยินดียินได่อะไรขึ้นมาให้รู้ทันจิตจิตเถอะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นกลางแล้วดูกายมันตายท่านดูจริงๆนะท่านก็รู้ว่ารอบนี้ตายแง่ๆเลยญาติโยมก็คงงๆนะหลวงพ่อไปเยี่ยมคนไข้ก็บอกตายแน่ๆเลยคุณหน่ง อ, อยู่ด้วยใช่ไหมอยู่ด้วยก็ตายไงก็ไม่รอดลนะ สอนวิธีที่จะให้ท่านตายตกกระไดพลอยโจรแล้วคราวนี้ยทําไมท่านทําได้เพราะท่านฝึกจเจริญสติอยู่ตั้งแต่ยังไม่ทันตายจำไว้นะนั้นหน้าที่ของเราปฏิบัติตั้งแต่ก่อนจะตายไม่ใช่รอให้โจนตายแล้วจะไปทําใจให้ว่างควรละเรื่องกันนะงั้นพยายามรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกตัวไปเรืยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเรยบางวันไม่สบายขึ้นมา กินยาเข้าไปนะหัวหมุนหมุนเมืม่อตื้อไปหมดนะหัวเวียนหมุนหมุน ต, ติ้วติ้วติ้วเลยดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยเ <mm ทําไงดีดูไม่รู้เรื่องก็รู้ว่าดูไม่รู้เรื่องเห็น <mm ไหมร่วมใจขึ้นมาว่าตายแล้วว่าดูไม่รู้เรื่องรู้ว่าร่วมใจเห็นไหมดูรู้เรื่องละ <mm ง่ายจะตายเป็นง่าย <mm ง่ายสุดๆนะเมื่อวานอาจารย์กริชท่านบอกหลวงพ่ออีงคนว่าง่ายจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์บอกหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่เห็นอะไรมันง่ายเหมือนวิปัสสนาเลย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 จิตมีโลภะใช่ไหมให้เราคอยรู้ทันรู้ทันตัวเองไปเรื่อยนะฝึกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละแล้วถ้าจบได้ก็จบไปเลยถ้าจบไม่ได้เราก็ไปเตรียมชิงทงเอานาทีสุดท้ายตอนจะตายอีกทีหนึ่งนั่นสงครามยกสุดท้ายละถ้าหลุดพ้นไปก่อนได้เลยก็หลุดไปเลยนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านตายอย่างงดงามมากนะตายบางองค์ท่านทรงชานชำนี้ชํานานเวลาจะตายนะท่านเข้าฌานนะ เข้าชานาอออาาแล้วก็ถอยออกมาเข้าแล้วก็ถอยออกมาเข้าแล้วถอยมาลึกๆๆๆเข้าไปนะจนถึงชานที่เก้าเลยนะเข้าออกเข้าออกเสร็จแล้วท่านก็ถอยออกมานะ อ, อยู่ระหว่างรูปประชานกับรูปคือไม่เพ่งทั้งรูปไม่เพ่งทั้งอรูปไม่เพ่งอะไรเลยนะดับลงด้วยความรู้สึกตัวตรงนั้นมีพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่ได้เล่นอย่างนี้ะท่านก็ตายไปอย่างเบิกบานจบไม่จบไม่รู้หรอกนะรับรับผิดชอบไม่ได้พยากรไม่ได้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 คนโบราณเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าคนใกล้าตายเนี่ยน่าจะผ่องใสแล้วเราต้องฝึกตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่ไม่ใช่รอให้ตายแลยนะ้วใช่ไหมจะมาฝึกนะแล้วต้องฝึกให้ถูกวิธีวิธีฝึกเตรียมตัวตายก็คือฝึกมีสตินั่นแหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้เรื่อยๆไปนะอย่าไปเอาแต่เพ่งๆนะอย่าไปนน้อมใจให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเป็นการปรุงแต่งพบขึ้นมาอีกเนีย่ยก็จะไปสู่พบที่นิ่งๆบ้างๆ สังเกตดูคนที่พยายามจะเข้าหาความว่าจิตจีไปติดพบถ้าดูเป็นนะมีหูมีตาเนี่ยไปดูจะรู้เลยติดจิตติดพบอยู่ไปสร้างพบภายในขึ้นมาแล้วก็เคลิ้มๆอยู่อย่างนั้นเยิ้มๆอยู่งนั้นติดอยู่ใช้ไม่ได้พยายามรู้สึกตัวนะอะไรก็ไม่ดีเท่ารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเป็นแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยไม่นานหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้ธรรมะบ้างไม่ยากเท่าที่คิด แต่ต้องอดทนไม่ใช่อยู่ๆลอยๆแล้วฉันจะได้ขึ้นมามันไม่ได้หรอกต้องลงทุนลงแรงนะรักษาศีลไว้ก่อนใจวิ่งไปทางโน้นทาง น, น, างนี้รู้ทันไปจนกระทั่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นนะสติระลึกรู้กายก็จะเกิดปัญญาเห็นกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทั้งหลายก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่เราสติเกิดระลึกรู้จิตต่างขาน ใจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันไปโรคปกดลงทั้งหลายก็จะรู้ว่าโรคปกดลงทั้งหลายไม่ใช่เรานะสติไปะระลึกรู้จิตก็จะเห็นว่าจิตมันก็เกิดดับไปเรยด้ยแเดี๋ยวเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดทางใจก็ดับที่ใจนะเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นเกิดได้ทีละแวบแวบแววบไม่มีตัวตนในกายนะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวินเดีนไม่มีตัวเราฝึกอย่างนี้ได้ๆวันหนึ่งจะได้ธรรมะนะ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 เราอยากได้โลกุตตะระใช่ไหมอยากโลกุตตะระบางคนภาวนาไม่เป็นนะอุตส่าห์ตั้งชื่อเป็นโลกุตตะระก็มีนะเคยเจอคนดูดูมันจะไม่โลกุตตะระนะมันจะโลกกันเฉยเฉยมันจะไม่ใช่โลกุตตะระหรอกโลกุตตะระอยู่เหนือโลกหมายถึงอะไรหมายถึงอยู่เหนือขันขันมีอยู่นะแต่ไม่ยึดถือขันอยู่ตรงนี้เรียกโลกุตตะระยังยึดถือขันอยู่ก็เป็นโลกไม่ใช่โลกุตตะระ โลกุตตะละก็คือโลกกับอุตตะละอุตตะละคือคําว่าอุด อ, อนอุด อ, อนที่ไปว่าทิศเหนือนั่นแหละะก็คือเหนือโลกนั้นฝึกภานในวันหนึ่งเห็นแจ้งโลกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกก่อนคนอื่นท่านเลยได้ชื่อว่าโลกกวิถูโลกกวิถูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรไม่ใช่โลกภูมิศาสตร์นะจะมาถามทังเส้นลุงเส้นแหวงอะไรท้งทวีปมีกี่ทวีปอะไรเงี้ยคนละทวีปกันคนละแบบ ท่านไม่สนใจหรอกทวีปแอฟริกาอะไรเงี้ยนะท่านรู้แจ้งโลกคือท่านรู้แจ้งขันห้าของท่านรู้แจ้งกายรู้แจ้งใจรู้แจ้งรูปรู้แจ้งนามหนึงรู้แจ้งไม่สนใจจะตอบความยึดถือขึ้นสู่โลกุตตะที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเขาพ้นจากความพ้นทุกข์ท่านพ้นจากทุกไปพ้นทุกพ้นทุกก็คือพ้นโลกโลกก็คือกายกระใจพ้นทุกก็คือพ้นจากความยึดถือกายที่ถือใจนะ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 ร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่าเราสุขเราทุกข์จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่าเราสุขเราทุกข์นั้ใจมันหลงโลกไปเห็นว่าเป็นตัวเราไปหลงว่าเป็นตัวเราเรามาฝึกวิปัสสนานะเรามาดูกายมันทำงานดูจิตมันทำงานจิตเราตั้งมั่นอยู่ทัางหักเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานไปเรื่อยๆรืเราจะรู้เลยว่าร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอน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 นานๆรู้ทีหนึ่งมันก็ไม่เคยชินที่จะรู้แต่มันจะเคยชินที่จะหลงเพราะฉั้นเราหัดรู้สึกไปเรื่อยใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธก็รู้นะใจมันหลงไปก็รู้มันฟุง้งซ่านมันหดหูมันสงสัยรู้ลูกเดียวเลยหัดรู้ไปเรื่อยๆจิตจําสภาวะได้แม่นใเวลาไปดูจิตก็ไหลไปดูเวลาไปฟังจิตไหลไปฟังเวลาไปคิดจิตก็ไหลไปคิดจิตไหลไปไหลมาทั้งวันเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น ถ้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งขึ้นมาเองตั้งมั่นเองชั่วขณะนะถ้าเมื่อไรมีสติอัตโนมัติก็มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วนกะ็สติระลึกจะเกิดเองนะหากอีกอย่างหนึ่งก็ให้คอยรู้ทันจิตที่ถลําไปไหลไปนะจิตชอบหลั <ight> กายก็จะเห็นกายไม่ใช่เราถ้าสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้สังขารก็เห็นสังขารไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เรา เั็นอยู่ที่เงื่อนไขสองตัวก็มีสติอันหนึ่งคือมีสัมมาสมาธิคือมีใจที่ตั้งมั่นอีกอันนึงถ้าใจไหลไหลไปเคลื่มเคลื่มไปไหลไหลไปนะหลงหลงไปนะจะไม่เกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์หรอกจะจะเห็นว่าเป็นตัวเราถ้ามีความใจใจตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นในร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะกายมันเดินไม่ใช่เราเดินจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดนะี่เห็นอย่างนี้ตัวเราไม่มีดูเรื่อยๆ ดูไปจนวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีได้เป็นพระโสดาบันดูต่อไปอีกกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างทุกวันนี้เห็นกายเป็นทุกบ้างสุกบ้างเห็นจิตมันทุกบ้างสุกบ้างนะแต่พสัสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นถึงขนาดนี้ได้ยอมรับได้นะจะเป็นพระอรหันตะ์จะหมดความยึดถือกายยึดถือใจพ้นจากโลกคือพ้นจากขันห้าพ้นจากกายจากใจนี้ละ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 การภาวนามัก็ขึ้นขึ้นลงลงนะี่อย่าขี้เกียจก็แล้วกันนี่หมดเลยครับนี่หมด